เทศนาแผ่นที่76ลำดับที่14โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดพุรธานีแสดงธรรมในวันที่12มิถุนายน2558ปมีชื่อเรื่องว่าเพื่อพระสงฆ์อาพาธ อ้าวอยู่ในความสงบลูกหลานทำอะไรทําสุ่มซ่ามแต่ละวันน่ะได้บอกถ้วยชามอยู่ขวางหน้าเตะไปเลยวันน่มัน ม, มันโมลีกเปวัเ น, นเตะมันหลีกก็เลยเตะมันไวัเนเตะตัวเองโง่เซอไม่ตาไม่มองมันจะไปหลีกได้ยังไงมันต้องดูนะหลวงพ่อเห็นกระโถนของพระเนี่ยหลวงพ่อยังดูไม่ลืมอย่ กระโถนใบไหนไมีแต่ใบแตกทั้งหมดกระโถนสีเครือบเลยไปล้างกระโถนไปทำยังไงกระโถนหาใบดีไม่ได้ไม่ใช่พระกรรมฐาน <c oughs> พระกรรมฐานเนยะตั้งแต่หลวงปู่หลวงตาสร้างวัดมานะสร้างวัดปา่าบ้านตาดมากระโถนนะที่หลวงพ่ออยู่ที่นั่นเนะี่ยตั้งแต่ปีเก้าเจ็ดเก้าแปด จนหลวงพ่อออกมาปีสองห้านกระโถนอย่างใบเก่าอยู่ที่กุติของท่านมีอยู่สองใบไม่ให้เปลี่ยนใครจะเปลี่ยนเนออี่ยข้าใครจะคิดเปลี่ยนออกเปลี่ยนกระโถนของท่านหรือออกจากวัดเลยแล้วถ้าท่านรู้นะเนี่ยทําไมมันกระโถนมันมาใครไปเอาของเราไปเนี่ยเปลี่ยนได้ยังไงเออขนาดนั่นแหละพวกเราล้างกระโถนแต่ละอ่านเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยจับแน่น ดูแลอย่างดีจะวางที่ไหนเขาว่ากระทบกระแทกนะไม่มีมีแต่พวกสุ้เจ้ากระโโหนไปไหนปุบปุบบีอทั้งล้มทั้งลมทั้งโยนมันดูดูแล้วมันไม่ใช่ผู้ที่เขามาฝึกหัดดัดสติให้มีสติฝึกสติก่อนที่จะวางที่ไหน จะเดินไปที่ไหนเอ่ถ้าวางอย่างนี้คนจะเตะไม่เนี่ยตัวเองจะหลงลืมไม่เนี่ยเราเอาวางไว้ที่ไหนไม่นจึงจะไม่หลงไปลืมอันนี้กะวางกะวางแบบสุ่มซ้ำจะนั่นกะถอยหลังมากะแยบแบบสุ่มซ้มอีกมันเกิดนั่นแหละเห็นแต่ความสุ่มซ้มเห็นแต่ความไม่รอบขอบเห็นแต่ความเซ่อของพวกเราที่มาฝึกจติตฝึกจติตมันจติตมันไปไหนก็ไม่รู้ มันมีแต่หลวงปูล่ล่าหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าลงลงบ่มบ้านะบ่มบ้าให้แก่ขึ้นบ่มให้ขาดสตออออิคนที่ขาดสติก็คือบ้านะเออพราะนั้นพวกเราพูดทรงนี้ทางนั้นให้ฟังเลยฝึกนะสตินะวันนี้ลงมาฉันยี่สิบเจ็ดคพระงดฉันวันนี้สิบสามองค์นะ ลงมาฉันยี่สิบเจ็ดเพราะนั้นบางทีพวกเราหลงพ่อพระสี่สิบไปไหนนับดูยี่สิบเจ็ดองหนึ่งไปไหนหมดนท่านอดอาหารท่านไม่มาฉันพร้อมกันาภาวนาของท่านนะแล้วก็เมื่อวานท่านรัตนาท่านก็ไปสร้างวัดใหม่หมุบหมับหมุบหมับมาเนี่ยแหละ แต่วัดลองของเราก็ช่วยอนุเคราะห์เดี๋ยวนี้กำลังดูกำแพงกำแพงหน้าวัดเพราะว่าจำเป็นจะต้องมีเพราะมันติดถนนมาเป็นกันเสียงส่วนหนึ่งกันความรอบข้อปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้โอนปัจจัยให้เพื่อสร้างกำแพงข้าวก่อน8 0 0 0 0แสนมั้ขาวที่สองนี่อีกห0 0 0 0นข้าวที่สมเมื่อวานอีก5 0 0 0 0น แต่ว่าแปดแสนก่อนเป็นปัจจัยที่ที่เริ่มสร้างวัดใหม่ของท่านจัตใาญาติโยมถวายผ่านหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลเอาไปเข้าเป็นทุนกอ ง, กองแรกที่สร้างกำแพงวัดป่ารวมธรรมแต่หมวดที่สองที่สามเป็นปัจจัยของวัดของเราเนี่ยละเนี่แหละวัดของเราจะทุกปัจจัยหลวงพ่อใช้จ่ายอะไรไปหลวงพ่อก็ได้บอกกล่าว เป็นนั้นว่าเราให้ไปโอนไปหนึ่งล้านแหะแต่เคลว่อนไม่น่าจะเสร็จแต่กระจวนจะเสร็จลั่นะแหละน่ะาจะตุ ป, ปัจวันพุ่งนี้มาเลยเนี่ยก็จะได้ไปสีนกครินสีนกครินตอกก่อนทุกปีหลวงพ่อก็ทุ่มให้สีนกครินแต่เดี๋ยวนี้สีนกครินก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วหลวงพ่อคูณก็ได้เอาเงิน มาร่วมสมทบ เ, เท่าไรหลวงพ่อยังไม่ทราบวันที่ส4บสี่เนี่ยคงจะไปทราบข่าวว่าเป็นยังไงได้จะตุปใจเท่าไหร่แต่ได้ยินข่าวๆหลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดว่าเท่าไหร่ตอนได้ยินกับหูกับปากกับคณะกรรมการซะก่อนจึงจะพูดเพราะเรื่อง ห, ม, ห, อองหงมู่นิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นแล้วก็ โรงพยาบาลศูนย์อุดอรอีกเหมือนกันนะวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านี่ดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดอรมูลนิธิอีกเหมือนกันอันนี้จะได้ทอดผ้าป่าอีกเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเตรียมเตรียมปัจจัยไว้นะผู้ที่จะร่วมร่วมสมทบเป็นผ้าป่าโรงพยาบาลศูนย์อุดอรดูแลสงอาพาธนะ อันนี้กัหลวงพ่อเป็นประธานเป็นประธานสงฆ์ที่ศูนย์อุดรศรีนครินก็หลวงพ่อเป็นประธานเหมือนกันนะขณะอยู่ขอนแก่นหลวงพ่ออยู่เป็นประธานมูลนิธินะมูลนิธิหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่นโพริทัตโตดูแลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลสงฆ์ศรีนครินจังหวัดขอนแกน่นอันนั้นก็นคือ เป็นหมู่นิติหลวงปู่มั่นแต่หลวงพ่อเป็นประธานแต่หลวงพ่อเมื่อจบสี่ปีที่แล้วหลวงพ่อก็ขอลาแล้วล่ะแต่คณะกรรมการยังให้เป็นมังกรให้เป็นสิงโตเชิดเอาไว้อยู่หลวงพ่อก็เออถ้ามันเป็นประโยชน์หลวงพ่อก็เอาเป็นแต่ในที่หลวงพ่อมาเป็นประธานอีกแต่ประธานหมู่นิธิพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกดูแลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสุนุลธานี อั น, นี้ทาไมหลวงพ่อจึงเป็นประฐาน เ, เมื่อจะตั้งมูลนิธิเมื่อโรงพยาบาลสุนุดอนได้ตั้งหลวงตาได้สร้างโรงพยาบาลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้สิบชั้นนะแต่หลวงพ่อก็ได้มาสร้างตึกหนีไฟอีกเคียงคู่กับตึกหลวงตาถ้าเผื่อไฟไหม้กดคนในโรงพยาบาลหลวงตาจะได้ลําเลียงมาตึก หนีไฟแต่ตึกหนีไฟตัวนี้จะจอดไว้ทิ้งไว้เฉยเฉยก็ไม่ได้ก็ต้องทำให้เป็นที่จอดรถอ่าที่จอดรถสิบชั้นนะจอดรถประมาณเจ็ดร้คันก็เสร็จเรียบร้อยหมดละเรียบร้อยหมดทุกอย่างละชั้นล่างก็เป็นที่ให้คนไปเฝ้าไข้คือบ้านนอกขนยากจนเป็นนอนอยู่ชั้นล่างแล้วก็ทำห้องน้ำหญิงชาย ให้พวกเขาได้ใช้ด้วยอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้ทาก็เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่ามูลนิธยมาพูดถึงมูลนิทิทำไมจึงมีชื่อหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินมักใหญ่ไฟสูงอยากจะได้หน้าได้ตาอย่างนั้นใช่ไหมบางคนนะเพราะว่าบางคนหลายแนวความคิดนะทั้งที่วัดจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดของหลวงตานะทำไมอาจารย์อินจึง กระโดดออกไปขวางหน้าคือตามไม่จริงเราประชุมในหมู่วงการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์เนี่ยหลวงพ่อพูดทนี้นกระดังไปโทรหมดถ่าห้างวาดทาหลวงพ่อพูดไม่ความจริงอะโรงพยาบาลเขาคงจะต่อว่าหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพ่อพูดความจริงให้ฟังเลยบอกว่าเราไปชุมกันหลายครั้งว่าเราจะตั้งชื่อว่ายังไงเอาชื่อหลวงตาเถอะนะเพราะหลวงตาเนี่ยเป็น ปู่เป็นทวดของพวกเรารักเคารพทุกผู้ทุกคู่ทุกคนเออก็พร้อมกันก็เลยแตง่งแตง่แตงตั้งให้คณะแพทย์กลุ่มหนึ่ง เ, เข้าไปขอชื่ อ, อจากคณา ญ, ญาติขององค์หลวงตาคือตาไม่จริงที่จะตั้งชื่ อ, อมูลนิธิเนี่ยเราจะต้องไปได้รับอนุญาตจากญาติผู้ใหญ่เรียกว่าคนที่เป็น แได้ตระกูลนั้นอนุมัติอนุญาตออกมาเพราะเราจะได้ชื่อใช้ชื่อและนามสกุลของเขาด้วยตระกูลนั้นด้วยแต่เราเข้าไปขอเอคุณแม่จันดีคุณแม่อะไรสองสามคนคือเป็นน้องๆขององค์หลวงตาแต่พอเข้าไปขอท่านเหล่านั้นก็ปฏิเสธบอกว่ามูลนิธิเออของหลวงตาเนี่ยก็ไม่มั่นใจเพราะว่า ในเมื่อตั้งไปแล้วอาจจะไปแผ่ไปขอไปเรียอะไรไปหาเงินทำให้ประวัติกิติศัพท์ชื่อเสียงขององค์หลวงตาเสียหายใครจะเป็นผู้ควบคุมดูแลไม่ให้ปวกแพทย์พ่อหมอเคยคอพับพอพับออกมาเก็เลยมาเข้าในที่ประชุมที่ประชุมเอาอย่างไงหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเคยเป็นประธาน มู่นิติของหลวงปู่มั่นมาแล้วไม่ทําอะไรให้เสียหายแต่เสียหายเราก็ดูอยู่รู้อยู่อันไหนใจะเสียหายแต่เราหาทุนเนี่ยเราก็หาไปตามวัดส่งจดหมายไปตามวัดต่างๆวัดต่างๆเนะถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มามารักษาแต่ข่าวนี้เป็นการระดมทนุนวัดไหนพอมีกําลังก็มาร่วมกันลงขันกันเพื่อพระเนรของท่านนะะั่นแหะ หรือสำนักชีชีของท่านนั่นแหละคนของท่านนั่นแหละจะได้มาพึ่งพาอาศัย <c oughs> แบบนี้เราระดมทุนแล้วก็ส่งไปตามวัดต่างๆเราไม่ได้เรียอะไรเราไม่ได้บอกไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนกับมูล น, นทธินี้แล้วก็ส่งไปแต่ถึงคราวแล้วก็มาร่วมกันปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งปีนี้ก็มีการ น, นัดกันวันที่สิบสี่สิบสี่มิถุนาห้าแปดเนี่ยะะ ตอนเช้าก็พระฉันบิณฑบาตฉันแล้วก็พอฉันแล้วก็เริ่มทอดผ้าป่าแล้วก็หาทุนเมื่อปีก่อนนะรวยนะปีก่อนนะอู้ฟู้นะได้ต้งหกล้านนะปีที่แล้วได้สี่ล้านนะแต่ก็คืดเคลื่อนคอเหมือนกันนะแต่ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นะจะได้เท่าไหร่ก็าใม่สาบเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่ค่าใช้จ่ายก็ปีละสมล้านแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้หนักไม่ได้หนักใจ <c oughs> เพราะว่าปีนี้ก็อย่างที่พวกเราท่านลังลาได้ทราบอย่างน้อยกับเงินหลวงพ่อคูณท่านให้มาก็คงจะมีหลายเงินอยู่แล้วก็หลวงปู่ลีพระทำผ้าแดงไปป่วยท่านก็ให้ปีที่แล้วเนี่ยาล้านนะปีห้าเจ็ดปีสิบสามล้านแล้วเมื่อกี้เนี่ยท่านให้อีกล้านกว่าบาทตอนที่งานหลวงตาผ้าป่าเปิดโลกธาตเนี่ย ท่านก็ได้ปัจจัยทนถวายท่านอีกท่านก็ถวายเข้ามูลนิธิอีกหลวงพ่อไม่จะทราบนะเพราะหลวงพ่อก็เป็นคณะกรรมการเอาเข้าบัญชีก็มีกรรมการการเงินมีเหตรันยยกมีอะไรบริหารทั้ง15คนนะ่ะมูลนิธิหลวงพ่อในฐานะเป็นประธานประชุมครั้งหนึ่งเขาก็เสนอเข้ามาเงินเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อก็เพียงต่รับทราบเพราะว่าหลวงพ่อเป็นประธาน แล้วก็พวกเฮลันยิกพวกเลขานะเขาเป็นผู้จัดการฮนะนี่แหละแล้วก็ท่านอาจารย์หมูจังหวัดเชียงใหม่ตรงพ่อครับผมขอถวายปัจจัยเข้ามูลนิธินี่ห้าล้านนะครับเอออ้าวดีหลวงพ่อก็ให้อาจารย์หมอวิทูลรองคณะบดีคณะแพทย์ยศาสตร์มหาวิทยาลายัยขอนแก่นไปรับขึ้นไปรับเอาจากภาคเหนือเลย ท่านก็ให้มาเอาเข้อมูลนิธิเนี่ยเพราะนั้นมูลนิธิของหลวงปู่มั่นหลวงพ่อคิดว่าตั้งตนตั้งตัวได้ขณะนี้นะคิดว่าไม่หนักใจละดูแลพระสงฆ์ได้ปีหนึ่งใช้ประมาณทักสาล้านกว่าบาทแต่โรงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยก็เพิ่งตั้งไข่นะเพิ่งตั้งไข่เนี่ยแหละวันที่29เกียคงจะมีการทอดผ้าป่าดูแลสงอาพาธโรงพยาบาล อุดรธานีโรงพยาบาลอุดรธานีก็นี่มีทั้งหนองคายบึงการอุดชกนคร น, นครพนมนี่แหละม้งบัวลําพูจังหวัดเลยที่มาดูที่มารักษาบางกลุ่มก็ไปขอนแก่นสีนครินบางกลุ่มค็เนี่ยเข้ามาอุดรเพราะอุดรยังน้อยอยู่ เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูดูจุดนี้แหละแต่ต่อไปภายภาคหน้าถ้าโรงพยาบาลปีนี้พึ่งปีแรกนะจต่าญาติโยมปีแรกจะเข้าปีที่สองะโรงพยาบาลศูนย์อุดอรแต่พอถึงปีสี่เนะี่ยลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าจะประชุมคณะกรรมการแล้วก็เข้าไปขอชื่อจากวัดป่าบ้านตาดเราจะรับรองว่าไม่มีอะไรเราจะบริหารจัดการเหมือนกับลุงมูลนิธิหลวงปู่มัน ไม่ให้ผูดหนึ่งผู้ใดไม่ให้เสีเ ส, ส, สียชื่อเสียงขององค์หลวงตาเราจะขอชื่อองค์หลวงตามาใสเลยพอหลงชื่อหลวงพ่อก็ถอนซะถอย <c oughs> พอหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ได้มุ่งหวังสื่อเสียงลาบยศอะไรทั้งหมดเพียงเต่ให้เป็นสติเป็นมงคลมูลนิธิจุดนี้น่าจะเป็นชื่อหลวงตามาก แต่เรามันตั้งไม่ได้เราก็เดินก่อนให้เขาเห็นว่าไม่มีอะไรบริหารจัดการไปโดยธรรมแล้วก็ขอชื่อท่านมาก็ตั้งชื่อว่ามูลนิธหลวงตามหาบุญธสัมปันโนดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีหลวงพอ่อคิดว่าถูกต้องเป็นธรรมเหมาะสมสวยงามเป็นที่ยอมรับกันท่วนหน้าเพราะโรงพยาบาลองค์หลวงตาเป็น สร้างขึ้นมาดูแลพี่น้องประชาชนแล้วพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้จะไม่พึงพาอาศัยตึกหลังนี้เราก็มีมูลนิธิค้ำอีกต่างหากมูลนิธินี่ใช้อะไรก็ใช้สําหรับพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยบางองค์เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจนแต่ละวัดบางทีวัดยากจนวัดร่ารวยไม่ไหวนะวัดยากจนพอไปถึงเสร็จแล้วจะออกจากโรงพยาบาลยังไม่มีเงินยังไม่มีเงิน กับวัดอีกต่างหากและตัวเองก็ป่วยบางครั้งทางโรงพยาบาลอาจจะได้เหมารถส่งเรีอว่ารถตู้ส่งเรียกว่าให้ค่ารถส่งถึงวัดอย่างนั้นก็มีบางทีพระฟันไม่มีเว่นตาไม่มีเรือว่าจาราคามันแพงทงโรงพยาบาลให้ ครึ่งหนึ่งมูลนิธิของเราให้ครึ่งหนึ่งระยาเม็ดนั้นมาใช้หมด า, าฉันพายามราคามันดีราคาแพงนี่แหละหมูลนิธิของเราก็มีความจําเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดยกแล้วยกเอวคือพระเทละผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นมะเรง็งในขั้วกระเพาะแล้วเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดจะต้องได้ใช้เงินแปดแ 0,000 นเข็มเข็มละแสน เข็มละแสนแปดเดือนเดือนละเข็มศรีนาครินทร์เขาก็ทวงมาหาหลวงพ่อจะรักษาไหมโอ้กูบาดเจ็บระดับนี้ไม่รักษาได้ยังไงเอาเอาเลยแต่หลวงพ่อจะโอนให้ห้าแสนก่อนหนะ้าเนี่ยหลวงพ่อก็โอนไปเลยห้าแสนอีกสามแสนะถ้ามันถ้าไม่มีศรัทธาญยยาติโยมถ้าไม่มีใครมาเอาอีกนะหลวงพ่อจะโอนให้อีกนี่แหละให้ขวางมูลนิธิหลวงพ่อว่าเกิดประโยชน์ สำหรับดูแลพระสงฆ์ให้พระถ้าจะไปขอเงินจากใครใเงินตั้งแปดแสนขนาดนะั้นเลยขอจากใครใครก็คิดหนักเหมือนกันนะถ้าว่าไม่ใช่เศรษฐีจริงๆนะแต่มาขอกับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่จะเทื่อนเลยเพราะเหตุอะไรพอเงินก้อนนี้มาดูแลพระสงฆ์ได้มาเพื่อดูแลพระสงฆ์อ่ะถ้าพระสงฆ์ตายแล้วเนี่ยเงินก้อนนี้จะเอาไว้ทําไมอ เอาไว้ทําไมเมื่อพระสงฆ์ตายหมดแล้วอันนี้มันหมดหมดหมุข ห, ห, ห, ห, หาใหม่นีพอดูเอามาเพื่อดูแลพระสงฆ์แต่หรือแต่อย่าไปคิดเลยเกินกว่านั้นนะอย่าไปคิดเลยเกินกว่านั้นว่าเนี่ย <c oughs> หลวงพ่ออินวางแผนคงอยากจะเข้าโรงพยาบาลมั่งจึงได้วางแผนถึงขนาดนี้เนะี่ยอันนั้นหยุดคิดได้ในใจของหลวงพ่อหลวงพ่อตั้ง จิตอธิษฐานแต่ไหนแต่ไรมาเลยสาธุนะข้าพเจ้าได้ช่วยโรงพยาบาลดูแลพระสงฆ์ดูแลเครื่องไม้เครื่องมือพี่น้องประชาชนเจตนาของข้าพเจ้าเจตนาที่บริสุทธิ์ที่จะดูแลพระสงฆ์ดูแลพี่น้องประชาชนเครื่องไม้เครื่องมือขอจะให้ข้าพเจ้าได้ไปนอนโรงพยาบาลถ้าถึงค่าวแล้วก็ฆ่าให้ข้าพเจ้าใจขาดปัดไปเลย ทีอย่างไรข้าพระเจ้าก็จะตายอยู่แล้วทุกคนก็ตายอยู่แล้วหลวงพ่อก็จะตายอยู่แล้วเราก็จะตายอยู่แล้วอย่าให้เป็นภาระของผู้อื่นนะแต่ว่าจะให้ตายแบบรถชนบ่แขวนคอตัวเองตายบ่เราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะแปลว่าเจ็บไข้ได้ปวดหมดอายุแล้วใครมันใจขาดไปเลยจบจบชีวิตนึงพอเราคิดอยู่แล้วทุกลมหายใจเข้าออก <c oughs> เราภาวนาไว้อยู่เสมอ หายใจไม่ออกก็ใช่หายใจไม่เข้าก็ใช่เออนั่งอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนยืนอยู่ที่ไหนก็เถอะถ้าหายใจไม่เข้าไม่ออกแล ge, ้วก็ใช่ตายทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเราคิดอยู่อย่างนี้อยู่เสมอจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเออจึงไหนที่จะเป็นคุณงามความดีจึงไหนจะเป็นบุญเป็นกุศลจึงไหนที่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าทำเออจึงไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเกิดประโยชน์ ต่อสาธารณชนเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อโลกเราควรจะทาสิ่งนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำหลวงพ่อไม่ได้คิดเท่านั้นเองวันนั้นลูกหลานทั้งหลายดูดูสิที่ผ่านมาอันไหนบางที่มันไปเหยียบตาปาใครทำให้ใครเดือดร้อนไปฟ้องร้องใครมีไหมหลวงพ่อจะพยายามดูในจุดนั้นให้ดีที่สุดแต่บางทีบางครั้งอาจจะพูดกระทบ มีบ้างกระทบนั่นก็คือพูดความจริงเกินไปแต่ไม่จริงแล้วจะทำยังไงนะมันไม่จริงแล้วจะทำยังไงมันต้องพูดความจริงถ้าไม่จริงนบางทีมันกระทบใช่มันกระทบกิเลสคนที่ชอบกินเหล้าชอบที่ครอบกินเหล้าคนที่ชอบทำความชั่วหลวงพ่อเขาว่าอย่าไปคิดฆ่ากันนะรมันกระเทือนเขาแหะเพราะเขาคิดฆ่านะ ทำไมฆ่าจะได้กินอะไรทำไมหลวงพ่ออินพูดได้อย่างไงถ้าไม่กินเราจะฆ่าเราจะกินอะไรทำไมฆ่าเออ่้าว่าเขามาฆ่าเรา่ะเอยถ้าเสือบอกใครเ็าตามอยากจะกินเนื้อของเราถ้าไม่ฆ่าคุณนะอย่าแล้วเราจะได้กินอะไรขอฆ่าคุณขอฆ่าเธอจะนั่นเราจะมีความรู้สึกอย่างไงสรุปแล้วคือหลักธรรมคาสอนที่หลวงพ่อนำมาพูดคือหัวใจเขา หัวใจเราเราเขาเราเขาเราเขาในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเราไปประพฤติผิดลาบและล่วงในสามีลูกหลานของคนอื่นเขาเขารู้สึกอย่างไรในเมื่อเขามาให้ทากับเราเรามีความรู้สึกอย่างไร เมื่อเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขารู้สึกอย่างไรในเมื่อเขาต้มตุนโกหกเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราดื่มสุลาดื่มของเมอนเมาดื่มยาบ้าเป็นบ้าขึ้นมาฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นแล้วเมื่อเขาทำเขาก็เหมือนกันเมื่อเขาทำอย่างนั้นมาทำกับเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเนี่ย สรุปแล้วคือศินและธรรมของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อพูดทุกวี่ทุกวักวนเรื่องกฎระเบียบเรื่องศินเนี่ยสรุปแล้วก็คือเขาเราเขาเราให้มองอถ้าหากว่ามองอย่างนั้นไปว่าเราไม่เห็นแก่ตัว เ, เราไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาเขาไม่เอารัดเอาเปรียบเราต่างคนก็ต่างเขารบสิทธิ์ซึ่งกันละกันอยู่ในกฎระเบียบ อ, อยู่ในธรรมวิัยอยู่ในกฎระเบียบของกฎหมายบ้านเมือง ที่หลวงพ่อว่าอากตังรุกรตังความชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าความชั่วเมื่อทําลงไปแล้วจะเดือดจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังมันไม่จ่าแจ้งหลวงพ่อว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่าทําเสเลยดีกว่าเมื่อเราทําลงไปแล้วเมื่อกฎหมายเขาเล่นงานแห่กฎหมายทางถูกเล่นงานเพราะเราทําผิดนะี่ยเมื่อกฎหมายทางถูกเล่นงานตนเองนั่นแหละ จะเดือดร้อนเมื่อภายหลังฮะอันนี้ชัดเจนนะเพราะนั้นให้ฟังเอาไว้สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าทำสิ่งที่ดีแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถึงจะยากจนพออยู่พอเป็นพอไปก็จิตใจก็มีความสุขมีความสุขเย็นลึกๆอยู่ในจิตในใจเพราะนั้นขอให้พวกเราพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะจะรุได้เป็นคนดีนะ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากหลากหลายตลอดถึงการสงเคราะห์อนุเคราะห์มุญนิธิความเป็นมาพวกศรัทธา ญ, ญาจงก็คงไม่ทราบบางคนบางท่านหลวงพ่อก็จะพูดให้ผังฟังเป็นละลอกละลอกเพื่อให้กว้างขวางหรือเป็นที่รับรู้รั บ, ร บ, รบทราบกันความเป็นม า, าในการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลแต่ทักวันนี้กันนี้ หลวงพ่อได้ยินเขาบอกว่าเขาเจะเก็บภาษีพระนะ่ะหลวงพ่อก็ได้ยินแล้วเขาหลวพ่อก็ร้วหัวเลาะเฮ้ย อ, อ, อยู่ในใจเหมือนกันมันคิดได้ยังไงลูกหลานหมเนี่ยคงจะไม่ใช่สาสนาอันนั้นมากมันคิดได้ยังไงไมีแต่คิดหนึ่งเศรษฐกิจเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลาอแต่ตามไม่จริงพระบางองค์ก็ใช่แต่เราก็ต้องกําจัดเป็นพระบางองค์อต้องดู ดูเป็นเรื่องเป็นราวไปเป็นองค์องค์ไปไม่ใช่ว่าเมืองไทยไม่ใช่จะชัว่วจะพะเมื่อไหร่ข้าราชการน่ะทำไมไม่ดูตัวเองเน่เป็นยังไงพี่น้องประชาชนคนในชาติเป็นยังไงดีหมดทุกคนมีศีลหา้าทุกคนอย่างนั้นใช่ไหมอยู่ในกฎหมายอย่างนั้นทุกคนใช่ไหมอย่าไปมองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องมองภาพรวมจากนั้นก็จัดการอย่างที่นายหลวงท่านพูดไม่ให้คนทำความดีความชั่วเฉลยไม่มีหรอกในโลกมันต้องมีคนชั่วแต่เราพยายามส่งเสริมให้คนดีเป็นเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ดูแลปกครองหมู่พกเพื่อนนั่นแหละอันไหนคนดีเรารู้ไหมเรารู้จักไหมดีคนดีพระดีรู้จักไหมกลุ่มไหนดี งไหนตรงไหนที่มันดีนั่นแหละถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วับไม่รู้จะบอกยังไงอีกท่นี่เหมือนกับคนตาบอดดีกับชั่วขาวกับดําส ก, กปรกสะอาดนะไม่รู้เพระเหตุอะเพราะตาบอดนะอันนี้ก็มเหมือนกันนะถ้าตาปัญญาบอดนะไม่ใช่คนตาบอดตาปัญญานะปัญญาคือความรอบรู้ความเฉลียวฉลาด รู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลอันไหนเป็นอันไหนอันไหนควรอันไหนไม่ควรอย่างไรถ้าใช้ปัญญาพิจารณาแล้วจะจะรู้จะเห็นได้ถ้าปัญญาบอดแค่อย่างเดียวนะนะมันมองไม่เห็นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นลูกทิศลูกหาหลวงพ่ออินให้ใช้ปัญญานะแต่จะไปใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดก็แล้วกันนะให้เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐินะีย คือความเห็นชอบเห็นชอบคิดดีทำดีพูดดีน่แหละปัญญาไปในทางที่ดีที่ถูกต้องมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะชมชายมันร้องขึ้นมาแล้ววะสงสัยฝนจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อวานก็ร้องฮือฮาฮือฮาเนี่ ย, ยจะตกแต่มันไม่ตกนะอากาศกร้อนพอสมควรลูกหลาน่ยตอนนี้ไปรับพรในทนเนอ